คำนำของมิสเตอร์แอนโทนีบอเจียผู้ติดต่อกับวิญญาณของท่านโรเบิร์ตอิวเบนสันเจ้าของเรื่องนับตั้งแต่หนังสือเรื่องโลกทิพย์ภาคแรกได้ปรากฏแก่สายตาของท่านผู้อ่านเป็นต้นมาก็ได้มีจดหมายเป็นจำนวนมากมายหลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งต่างก็ได้แสดงความสนใจทั้งเนื้อหาของเรื่องและวิธีการติดต่อกับวิญญาณเพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาของเรื่องด้วย ทุกๆฉบับต่างก็มีเจตจำนงอันเดียวกันอยู่ประการหนึ่งคือไกรขอทราบเรื่องราวต่างๆให้ละเอียดยิ่งขึ้นกว่านั้นอีกการบรรยายเรื่องโลกทิพย์เช่นนี้วิญญาณของท่านเจ้าของเรื่องแจ้งว่าความยากลำบากไม่ได้อยู่ที่ว่าควรจะบรรยายเรื่องใดแต่ตรงกันข้ามคืออยู่ที่ว่าควรจะงดเว้นไม่บรรยายเรื่องใดดีเพราะการที่จะบรรยายเรื่องของโลกทิพย์ อันมีขอบเขตและสภาพความเป็นไปอันกว้างขวางมหาศาลให้เห็นจริงได้ทั่ว ก, กันในเนื้อที่อันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เลยดังนั้นถ้าหากจะมีการกล่าวข้ามข้อความบางตอนไปบ้างหรือกล่าวไว้เพียงลวกๆบ้างก็หวังว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายคงจะเห็นใจในข้อนี้สำหรับภาคสนี้ได้บอกคาบอกเสร็จในคริสตศักราช1 9 5่น การที่ค้พเจ้าใช้คำว่าคำบอกนั้นก็มีความหมายตรงตามตัวอักษรเลยทีเดียวคือโดยปกติข้าพเจ้าได้รับคำบอกให้เขียนโดยทางทิพยโสดแต่ถ้าครั้งใดไม่สามารถจะกระทําได้โดวยวิธีดังกล่าวมาซึ่งก็เป็นของแน่นอนว่าจะต้องมีบ้างเป็นธรรมดาในบางครั้งบางคราวข้าพเจ้าก็ได้อาศัยการติดต่อโดยทางความคิดโดยตรง ซึ่งทั้งสองวิธีดังกล่าวนี้ก็ปรากฏว่าได้ผลเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเพื่อให้ต้นฉบับของข้าพเจ้าได้รับการพิสูจน์ให้เป็นการมีหลักฐานยืนยันให้แน่นอนยิ่งขึ้นจึงได้มีการประชุมผู้ที่มีความสามารถในทางเข้าสมาธิได้ลึกซึ่งไม่ใช่เป็นผู้หาเลี้ยงชีพในทางนี้เลยและซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อแน่ได้ว่ามีคุณธรรมเชื่อถือได้จริง โดยได้ให้มีการติดต่อกันทางวิญญาณคือการเข้าทรงอาทิตย์ละสองครั้งโดยวิธีนี้ข้าพเจ้าก็ได้อาศัยท่านผู้นั้นเป็นผู้ติดต่อผ่านไปหาวิญญาณของท่านเจ้าของเรื่องและได้มีการสอบสวนและซักถามกันจนเป็นที่พอใจว่าข้อความที่ข้าพเจ้าได้รับการถ่ายทอดมาโดยทางความคิดนั้นถูกต้องดีแล้วสาหรับผลงานของเรื่องนี้นั้น วิญญาณของท่านเจ้าของเรื่องแจ้งว่าท่านเองก็รู้สึกปีติยินดีที่ได้รับผลสําเร็จเกินความคาดหมายจํานวนจดหมายที่หลั่งไหลมาถึงเราเป็นจํานวนมหาศาลย่อมเป็นประจักษ์พยานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีในบรรดาผู้เขียนจดหมายส่งมานั้นก็มีตั้งแต่ผู้ที่ยังหนุ่มสาวอายุ20ปีจนถึงขนาดอายุ80ปีซึ่งก็มีความเป็นหนุ่มสาวไม่น้อยไปกว่าประเภทที่กล่าวมาแล้วเหมือนกัน ภรยาของผู้ที่สอนศาสนาผู้หนึ่งเขียนมาว่าเรื่องของท่านจับใจเหลือเกินดิฉันอ่านจบมาสองเที่ยวแล้วก็คงจะต้องอ่านอีกต่อไปไม่ทราบว่าวอีกกี่เที่ยวหมายเหตุข้าพเจ้าผู้แปลก็เคยได้รับคําบอกกล่าวจากผู้อ่านเช่นเดียวกันนี้ทางจดหมายฉบับภาษาไทยมาแล้วเหมือนกัน